บางอย่างอะครับอย่างเช่นปกริยาเคมีหรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่อยู่ในโลกของของอะตอมเล็กๆอะบางอย่างมันพลิบตาจนแบบก่อนเปลี่ยนกับหลังเปลี่ยนเนี่ยเขาไม่เห็นระหว่างทางเลยอะเขาอยากรู้ว่าระหว่างทางเป็นยังไงเพื่อจะได้เข้าใจกลไกตรงนั้นถ้าเราอยากถ่ายรูปในปรากฏการณ์ที่มันเกิดเร็วมากๆเนี่ยทุกวันนี้เรามีเทคโนโลยีที่เรียกว่า h ฮสปีดคาเมราทีนี้ไอ้ตัวหน้ากล้องเนี่ยมันเป็นแมคชนิคมันเป็นเรื่องของการไปปรับที่ตัวแมคชนิคของของกล้องของตัว กลไกต่างๆมันมีอีกวิธีหนึ่งคือไม่ต้องไปปรับที่แมคนิกแต่ควบคุมแสงให้แสงเนี่ยมันเปล่งขึ้นมาในช่วาพพริบตาเดียวก็ได้ซึ่งการควบคุมแสงให้ได้แฟลชพริบตาเนี่ยก็คือรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกในปีนี้ You're listening to the Standard Podcast the eye-opening experience for your ears ได้ในโลกล้วนฟิสิก พอดแคสต์ Podcast, วิทยาศาสตร์เนิร์ดเนที่จะพาไปเปิดโลกฟิสิกส์จากสิ่งรอบตัวโนเบลฟิสิกส์ปีนี้ค่ะพาเราไปทำความเข้าใจแล้วก็ทำความรู้จักกับความเร็วในระดับที่แบบว่า 1. ล้านล้านล้านส่วนของหนึ่งวินาทีคือแค่พูดก็รู้สึกว่าต้องนับนิ้วแล้วนะมันแบบมันจินตนาการแทบไม่ออกเลยว่ามันคืออะไรนะคะแล้วมันเร็วขนาดไหนมันจะเอาไปใช้ทําอะไรดังนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันในใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์วันนี้ค่ะว่าไอความเร็วระดับเนี้ยมันจะเปลี่ยนโลกแล้วก็ทําให้เรามองโลกเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะคะเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่กับฟางรัฐโรสิทธิพนาค่ะและผมปองแปงอาจวะรงจันทมาศครับที่ป่องแปงค่ะถ้าพูดถึงโนเบลฟิสิกส์จริงๆเราเขามอบกันทุกปีใช่ัั้คะงวลนี ก็ถ้าไม่มีเหตุอะไรก็ทุกปีฮะแล้วเขาวัดยังไงอ่ะพี่ว่าอันนี้คือมันปังพอที่จะได้รับรางวัล อ, อันนี้ก็เราเราพูดสำหรับคนที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับรางวัลโนเบลนะก็รางวัลโนเบลเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาโดยคุณอัลเฟรดโนเบลมหาเศรษฐีแล้วก็นักประดิษฐ์นะครับประดิษฐ์ไดนาไมค์แล้วก็เขามีเงินเป็นมรดกจำนวนมหาศาลเขาก็นามรดกนี้มาก่อตั้งเป็นมูลนิธินะฮะแล้วก็ แจกรางวัลให้กับมนุษย์ที่สร้างคุณูุปการอันเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติด้านต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือฟิสิกส์ซึ่งถ้าพูดถึงโนเบลในปีที่ผ่านมาแล้วก็โนเบลในปีนี้ความว้าวหรือว่าอะไรคือว้าวแฟกเตอร์ที่ทําให้แบบแต่ละอันแบบเฮ้ยถึงขั้นได้รางวัลเขาตัดสินกันยังไงมันพอมีกิมมช่นใช่ไหมใช่อะอย่างอย่างปีไหนเอาปีาทั่วไปก่อนปีทั่วไปก่อนก็ได้ถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ครั้งแรกถูกมอบให้กับคุณมอนร เคยได้ยินไหมครับไม่คุ้นเลยค่ะเขาเป็นคนค้นพบรังสีเอกซอซึ่งทุกวันนี้มนุษย์เราก็แทบจะขาดรังสีเอกซทั้งในแง่านวิจัยอะไรก็ไม่ได้เนาะแล้วก็เกิดสมมุติว่าแบบกระดูกหักหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปโรงพยาบาลเขาก็จะใช้รังสีเดูนี่ถือว่าเป็นการประยุกต์ใช้ที่ยิ่งใหญ่มากอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็อย่างคุณอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็เคยได้วานอเบลหนึ่งครั้งอย่างเงี้ยจากการอธิบายปรากฏการณ์ชื่อโฟโตอิเล็กทริก นะครับซึ่งก็เคยเล่าในตอนเก่าๆไปแล้วอ่อย่างปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรางวัลโนเบลที่มอบให้กับผู้ที่สร้างเครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างในการในการเปิดประตูบานใหม่สำหรับการวัดช่วงเวลาที่สั้นมากๆในระดับอัตโตวินาทีอตโตวินาทีอตโตวินาทีนะฮะคือคืออย่างนี้ฟิสิกส์เนี่ยมันจะพัฒนาได้ก็ต่อเมื่อเรา มีอุปกรณ์ที่แม่นยําที่ละเอียดอ่อนที่ดีอในแง่หนึ่งเราก็อยากจะวัดอะไรที่มันใหญ่มากๆเพราะว่าถ้ามันใหญ่มากๆเรามองไม่เห็นภาพเช่นความใหญ่ของโลกเราเมื่อเทียบกับเราเรามนุษย์เราเล็กมากใช่ปะอแตอ่อย่างดวงอาทิตย์ใหญ่ขึ้นไปอีกระบบธุรยะใหญ่ขึ้นไปอีกกาแล็กซี่ใหญ่ขึ้นไปอีกพวกนี้ก็จะเป็นอะไรที่เครื่องไม้เครื่องมือก็ต้องใช้อย่างหนึ่งทีนี้ตรงข้ามกับใหญ่ก็คือสิ่งเล็กๆ เ, เ, เราก็ต้องหาอะไรที่แบบวัดสิ่งเล็กๆให้ให้มองเห็นนะฮะ ซึ่งทีนี้สิ่งเล็กๆบางทีมันอาจจะมันไม่ได้หยุดนิ่งคือสารหรือว่าพวกชิ้นเนื้อหรืออะไรต่างๆที่มันเราดูผ่านกล้องจุลทรรศน์เนี่ยมันหยุดนิ่งใช่ป่ะแต่ว่าปรากฏการณ์หลายอย่างเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงซึ่งความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันรวดเร็วมากมันเร็วแบบเร็วสุดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของอิเล็กตรอนหรือสถานะบางอย่างของอิเล็กตรอนในอะตอมอย่างเงี้ยฮะมันเปลี่ยนแปลงเร็วในระดับที่ชั่วพริบตาเดียว พลิพตาที่ว่าเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาอัตโตวินาทีมันเป็นคําศัพท์ใหม่ไหมคะไอ้คำว่าอตโตวินาทีเนี่ยคือคําว่าอัตโตเนี่ยก็คือคำเขาเรียกว่าคําอุปสรรคเคยได้ยินไหมคือยังไงนะคะคำอุปสรรคสมมติว่าเรามีมีหน่วยที่เรารู้เช่นเมตรนะฮะเราอยากทําให้มันวัดระยะทางที่ใหญ่ขึ้นก็ใส่คําอุปสรรคเข้าไปเช่นกิโลเมตรอ่ามันเป็นคําขยายเติมคำเติมนะอ่าหรือ อะไรที่เล็กลงก็อาจจะเป็นเซนติเมตรนะฮะมิลลิเมตรอออัตโตก็เป็นคําอุปสรรคที่เติมเข้าไปด้านหน้าวินาทีปุ๊บมันเล็กสุดๆไปเลยมันเป็นหนึ่งในล้านล้านล้านวินาทีออืซึ่งมันเล็กแค่ไหนน้องฟังเราแทบจะไม่ทันได้สังเกตที่เราพูดกันไปเนี่ยมันผ่านไปกี่อัตโตวินาทีแล้วก็ไม่รู้มหาศาลทีนี้ผมเปรียบให้ฟังสําหรับท่านที่อาจจะนึกภาพไม่ออกไม่รู้จะเปรียบแล้วจะนึกภาพ อ, ออกหรือเปล่าหนึ่งวินาทีเนี่ยแป๊บเดียวใช่ปะ เอกภพบเราอะเกิดมาตั้งแต่บิ๊กแบงถึงตอนนี้มันยาวนานมากหนึ่งวินาทีเทียบกับอายุเอกภพบเนี่ยโอ้โหมันอายุเอกภพบมันนานมากมากอะืะก่อนมนุษย์เกิดก่อนโลกเกิดก่อนดวงอาทิตย์เกิดมันยาวนานมากมันก็คล้ายๆกับการเปรียบหนึ่งอตโตวินาทีกับหนึ่งวินาทีนั่นแหละหนึ<อ>่งอตโตวินาทีเมื่อเทียบกับหนึ่งวินาทีแล้วอะหนึ่งวินาทียาวเหมือนอายุเอกภพบ Oh, อยู่ในสเกลนั้นเหมื อ, มอมมนเป็นสเกลที่แบบมหาศารมากๆ1หวินาทีคือยาวนานจนแบบอตโตวินาทีคือสั้นสุดๆ อ, อะไรแบบ น, นั้นเป็นไงการเปรียบนี้ให้คะแนนเท่าไหร่ให้คะแนน 10, แสิบเต็มสิค่ะคปิงปองทีนี้คนที่เขาศึกษาเรื่องนี้อยู่ดีๆทำไมถึงต้องมาศึกษาไออตโตวินาทีด้วยอะคะอยู่อยู่ดีๆใช่ไหมคือเขาอยู่ไม่ดีคือ เออนักฟิสิกส์บางทีเขาก็พยายามแสวงหาอะไรใหม่ๆแ<ม>สวงหาเครื่องไม้เครื่องมือหรืออะไรแล้วก็ความทา้าทาย<ม><ม>นะฮะอย่างที่บอกว่าปรากฏการณ์หลายอย่างมันเกิดขึ้นในในช่วพลิปตานะครับเขาก็อยากจะพยายามตอบให้ได้ว่าคือ บ, บางอย่างครับอย่างเช่นปฏิกิริยาเคมีหรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่อยู่ในโลกของของอะตอมเล็กๆอะ่ะ<ม>บางอย่างมันพลิปตาจนแบบก่อนเปลี่ยนกับหลังเปลี่ยนเนี่ย เขาไม่เห็นระหว่างทางเลยอ่ะอเขาอยากรู้ว่าระหว่างทางเป็นยังไงเพื่อจะได้เข้าใจกลไกลตรงนั้นทีนี้ในการจะทำความเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างนี้ก่อนคือถ้าเราอยากถ่ายรูปในปรากฏการณ์ที่มันเกิดเร็วมากๆเนี่ยทุกวันนี้เรามีเทคโนโลยีที่เรียกว่า High Speed Camera เคยได้ยินไหมค่ะ ม, มันถือกำเนิดโดยคุณแอดเวร์ y ไมบริดนะครับเขาพยายามจะตอบคาถามให้ได้ว่าซึ่งเกิดมานานแล้วนะว่าม้าเนี่ยตอนมันวิ่งนะครับ กลุบกลับกุบกลั บ, บอะมันมีช่วงที่แบบตีนมันอ่ะกรีบกบกรีบตีนม้าเนี่ยมันลอยจากพื้นทุกข้างหรือเปล่ามีไหมมีไหมถ้ามีม้าอยู่ในท่าไหนอืออ่ะเราลองดูรูปนี้ภาพนี้จริงๆแล้วจะเคยเห็นมันอยู่เวลาเราเรียนวิชาถ่ายภาพอะค่ะอ๋อเหรอครับมันจะอยู่ในประวัติศาสตร์ประมาณนึงเนาะว่าแบบเป็นเหมือน ช่วงแรกๆอ่ะที่เกิดการถ่ายภาพขึ้นมาโหท่านเรียนวิชาถ่ายรูปด้วยเหรอเรียนแบบนิเทศสรรนนื่อสารมวลชนเขาก็จะมีแบบว่าให้เรียนจากภาพนี้ครับอันเนี้ยเราจะเห็นว่าเขาก็จะเอาคือผมไม่พูดถึงรายละเอียดการถ่ายภาพนี้แล้วกันนะแต่เอาเป็นว่ามันก็จะทําให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนแต่และเฟรมว่าม้าเนี่ยแต่และท่วงท่าต่างๆมันมีท่าทางมันเป็นอย่างไรเนาะแล้วก็เราจะเห็นว่าบางท่าเนี่ยม้าเนี่ย ตีนทั้ง4มันลอยจากพื้นจริงๆคือตอนที่มันงอขาทั้ง4เห็นไหมฮะอย่างรูปที่สใช่ข้างบนใช่ครับอ่ามันก็จะแบบว่าที่สองที่สามใช่ไหมมันก็จะลอยจากพื้นทั้งหมดซึ่งมันมันค่อนข้างขัดกับจินตนาการของคนสมัยนั้นคนสมัยก่อนเขาคิดว่ามันน่าจะลอยตอนมันแบบกระโดดอย่างเงี้ยกระโดดแบบยกขาไปข้างหน้าเหยียดเหยียดเหียดอะไรเงี้ยอ่าแต่จริงๆมันกลับลอยตอนมันมันงอเออซึ่งมันมันประหลาดดีนะโอเคประเด็นของผมก็คือว่า ในการถ่ายรูปให้ได้แบบนี้มันจะมีศัพท์คำหนึ่งเขาเรียกว่า exposure time ก็คือช่วงเวลาที่หน้ากล้องมันมันเปิดนะฮะจริงๆเราคุ้นเคยกับคำนี้เป็นอย่างดีน้องฝากเคยถ่ายรูปตอนที่แบบกลางคืน อ, อะไรอย่างนี้ไหมไปเที่ยวแล้วแบบอยากถ่ายกลางคืน อ, อะไรเงี้ยบางทีมันจะมีช่วงที่แบบกดถ่ายปุ๊บแล้วแบบมันจะแบบแช่ๆก่อนมันจะแช่อีกทีอ่ะมันนานปะค่ะคือสปีดในการที่จะ หน้ากล้องจะแบบจับเปิดเปิดแล้วก็ปิดอ่ะมันมันนานอคือกดถ่ายปุ๊บอ่ะมือถือมันบางบางทีมันสั่งให้เราแบบว่าถือนิ่งๆนะเพราะว่ามันยังไม่ปิดพอปิดแล้วเราค่อยขยับได้อืแต่ทีนี้ถ้าเราขยับในช่วงที่หน้ากล้องเปิดแล้วปิดอ่ะภาพที่ได้มันก็จะจะออกมาเบลอใช่ไหมฮะมันก็จะมีช่วงเวลาปิดเปิดใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเราถ้าเราแบบใช้การปิดเปิดเร็วๆเลยอ่ะภาพก็จะไม่ค่อยเบลอค่ะ ใช่ไหมเพราะว่ามันเปิดหน้ากล้องแบบช่วเดีรยวพริบตาเร็วนะครับประมาณนั้นทีนี้ไอ้ตัวหน้ากล้องเนี่ยมันเป็นแมคชนิคมันเป็นเรื่องของการไปปรับที่ตัวแมคชนิคของของกล้องของตัวกลไกต่างๆอมันมีอีกวิธีหนึ่งคือไม่ต้องไปปรับที่แมคานิคแต่ควบคุมแสงให้แสงเนี่ยมันเปล่งขึ้นมาในช่วง พ, พริบตาเดียวก็ได้อื ถ้าแสงเนี่ยมันว่าบในพริบตานะฮะลองนึกภาพมีนกฮัมมิงก์อ่ะที่แบบมันกระเพือยแล้วก็ไปกินน้ําหวานนะอ่ะถ้าเกิดว่าเราถ่ายด้วยกล้องแบบเอ็กซโพ e ซอร์มากๆอย่างเงี้ยน ะ, ะมันก็จะเห็นการกระพือไม่ได้คือมันเป็นติดกันเป็นพืชไปหมดมันจะเบลอๆแล้วก็เลือนลางไปไม่ได้<ช>ไม่ได้คมชัดว่าปีกเนี่ยอยู่ในตำแห น, น่งไหนใช่แต่ถ้าเราเอานกฮัมมิงก์เนี่ยมากินน้ําหวานในห้องมืดแล้วปล่อยแสงแฟลชวุ้ม แล้วก็จะเห็นปีกมันเนี่ยที่ตำแหน่งหนึ่งที่ชัดเจนมากแล้วก็ปล่อยแฟลตออกไปรัวๆแบบนี้แล้วเอาภาพที่ได้มาเรียงกันอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่จะทำให้เรามองเห็นได้ว่าอ๋อเกิดอะไรขึ้นในระหว่างที่ที่ที่นกนกฮัมมิงมันกระเพื่อ๋ อ, อ, อเขาเก็ตไอเดียมัม้ยซึ่งการควบคุมแสงให้ได้แฟลตพริบตาเนี้ยก็คือรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปีนี้อ๋อแล้วเขาใช้แคปเจอร์อะไรคะเขาใช้ อันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันแต่ขอขออธิบายนิดนึงว่าตอนเนี้แต่ตอนที่ผมภูมิใจมากเลยนะเพราะว่ามันยากคือปกติฟิสิกอะทุกคนก็ยากนะใช่แต่ว่าสําหรับผมอะผมเคยเรียนในห้องเรียนมาแล้วอาจารย์สอนมาอะไรเงี้ยมันก็จะพอคุ้นเคยใช่ป่ะแต่เรื่องเนี้ยสิ่งใหม่นะมันมันใหม่คือมันเป็นเทคโนโลยีที่เกิดมาเป็นสิปีแล้วแหละแต่มันไม่ได้เก่าพอจะไปอยู่ในหนังสือเรียนสมัยผมเรียนแต่ทุกวันนี้หนังสือเรียน มันก็เริ่มเริ่มเข้ามาแล้วนะผมก็เลยต้องไปอ่านตามหนังสือเรียนที่ที่มีอยู่น้อยนิดเนี่ยมาเล่าแล้วแบบยากอ่ะครับทีนี้พอแบบตอนทำอ่ะผมมีช่วงแบบท้อแบบประมาณสามสี่ครั้งว่าแบบผมจะพิมพ์ลายบอกในกลุ่มแล้วบอกเฮ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะเปลี่ยนเหรออะไรเงี้ยแต่ก็ไอ้ลองดูอีกสักเล่มนึงอะไรเงี้ยมันก็จะค่อยๆต่อเข้ามาทีละนิดทีละนิด ก็คือต้องย่อยข้อมูลและทำความเข้าใจจนมาอธิบายให้เราแบบง่ายแบบเมื่อกี้ชึบใช่บนน่นเฉยตอนนี้ต้องแบบต้องดูหลายๆรอบเพื่อคุ้มค่ากับนั่นน่ะสินะครับต่อคือการจะทำแสงแฟลตหรือแสงให้ได้ในระดับอตโตวินาทีเนี่ยขอให้นึกถึงถึงแสงมันว่าขึ้นมาเป็นกราฟแบบนี้เป็นภูเขาแล้วก็ลงไปน อ, ออกไหมมันจะมีการวัดว่าช่วงตรงตรงตร ง, ตรงกลางมันนะจกขอบนี้ถึงขอบนี้ มันว่าขึ้นมาจับเวลาซิแล้วมันก็ลงมาย อ, มอยู่ในระดับอัตโตวินาทีเคาว่าในระดับก็อาจจะอยู่ในระดับสิอัตโตวินาทีหรือร้อยอตโตวินาทีอะไรเงี้ยนะฮะก็ยังถือว่าคุยกันได้<ฆ>น ะ, <ฆ>ะก็มันจะเป็นกราฟแบบภูเขากราฟตัวนี้ก็ใช้หลายครั้งในทางฟิสิกส์ในทางคณิตศาสตร์แล้วก็กราฟแสงที่มันจากมืดแล้วก็ค่อยๆสว่างขึ้นมาแล้วก็วูบกลับมืดลงไปใหม่เนี้ย<ๆ>เขาเรียก ว, ว่าเพา คือเป็นเหมือนเพาส์หัวใจช่วงจังหวะการเต้นแบบที่การกระเพื่อมการแบบบูฟขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะพาส์นี่จะต้องอยู่ในระดับอะตโตวินาทีให้ได้ทีนี้ผมก็จะเล่าให้ฟังถึงทฤษฎีในการสร้างแล้วก็การประยุกต์ใช้เนาะตอนตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันมีความสำคัญอย่างไรแต่จะสร้างยังไงอันนี้แหละยาก ก็คือจะสร้างตัวในความเร็วระดับอตโตวินาทีแสงระดับอตโตวินาทีคือมีความเปลี่ยนแปลงในระดับอตโตวินาทีเป็นแฟลตที่เร็วโคตรใช่คือแบบพลิบตาแล้วกันพลิปตานะฮะคือคําว่าเร็วเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนนะคือหมายความว่ามันเราไม่ได้วัดว่ามันคือแสงเนี่ยมันก็มีความเร็วเท่าเดิมตลอดเพียงแต่ว่าเร็วในที่นี้คือมันปรากฏของมันใช่ปรากฏขึ้นมาในชั่วเสี้ยวพลิบตานะครับวิธีการสร้างนะครับอันนี้คือพูดฟังฟังเหมือนง่ายนะ จ ร, จริงมันยากแต่ขอให้เข้าใจว่ามันมีเทคนิครายละเอียดหลีกย่อยซึ่งผมพยายามจะเล่าในระดับที่ให้เห็นไอเดียแล้วกันวิธีก็คือใส่คลื่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าบางอย่างนะใส่เข้าไปในแก๊สเฉยบางชนิดใส่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าไปในแก๊สเฉย อ, อ่ะก็เหมือนกับเอาอินฟล่าเรดก็ได้ฉ า, ายเข้าไปใส่แก๊สเฉ่ยอินฟร่าเรตก็เป็นคลื่นอย่างหนึ่งนะฉายที่ความเข้มมากๆเข้าไปในแก๊สเฉ่ย เข้มสูงมากๆเลยนักฟิสิกส์คนหนึ่งเขาเห็นว่าเใส่อินฟลาเรตซึ่งความยาวคลื่นมันยาวมากเข้าไปใส่แก๊สเฉยเข้าไปปรากฏว่าส่วนที่มันเปล่งออกมาจากจากการใส่อินฟลาเรตเนี่ยเป็นเป็นคลื่นที่มีความยาวคลื่นสั้นมากเลยคือจากความยาวคลื่นยาวๆไป infrared, อินฟลาเรตมันออกมาเป็นอัลตราไวโอเลตแบบถี<อ>ยิ่งๆเลยจากตอนแรกแบบโอโ้อความยาวคลื่นยาวๆใช่ปะ่ะใส่แก๊สเฉยเข้าไปเข้าไปปรากฏว่าแก๊สเฉยมันดันเปล่งออกมาเป็น เอาท้ายว่าอะรสั้นๆซึ่ง ม, มันเกิดอะไรขึ้นคือไอการค้นพบนี้ก็สุดยอดแล้วน ะ, ะแต่คํคาถามคือมันเกิดอะไรขึ้น ม, มันก็มีการสร้างแบบจำลองเชิงทฤษฎีมาอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้แบบจําลองนี้ก็เข้าใจได้ไม่ยากครับอาจจะดูรูปนี้ก่อนอื่นก็ดูจากทางซ้ายมาทางขวาเราก็จะเห็นว่าอะตอมเนี่ย ตรงกลางเป็นนิวเคลียสรอบๆเป็นอิเล็กตรอนพอมันโดนสนามไฟฟ้าจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งก็คืออินฟรูเอทนะฮะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันจะไปปรับสักไฟฟ้าบางอย่างในของอิเล็กตรอนให้ให้จัดเดิมที่มันสมมาตรเนี่ยไม่สมมาตรหรือพูดง่ายๆก็คืออิเล็กตรอนเนี่ยมีโอกาสที่จะหลุดออกมาจากจากอะตอมนั้นได้เหมือนเหมือนสนามไฟฟ้ามันไปดึงอิเล็กตรอนออกอะอแต่มันไม่ได้ดึงแรงขนาดนั้นมัน มันเรียกว่าเกิดทันเนอลิงออกมาแต่เอาเป็นว่ามันเหมือนดึงออกมานะฮะสนามไฟฟ้าอิเล็กตรอนก็มีประจุไฟฟ้าใช่ไหมมันก็ดึงอิเล็กตรอนหลุดออกมาคอิเล็กตรอนพอหลุดออกมาปุ๊บใช่ป่ะสนามไฟฟ้ามันดันกระเพื่อมในทิศใหม่คือขึ้นไปหลักไฟฟ้ามันตีแบบเนี้ยตอนแรกดึงเขาออกแล้วก็ไปดึงเขากลับมาอีกนะนิสัยไม่ดีตอนแรกไล่เขาออกไปแล้วเอาไปกลับทิศอิเล็กตรอนมันก็พยายามจะวิ่งกลับเข้ามาใหม่ครับอนีที่ถ้าวันมันวิ่งกลับเข้ามาเนี่ยให้นึกภาพอย่างนี้ครับว่า ถ้าเราใส่พลังงานเข้าไปอิเล็กตรอนจากระดับพลังงานต่ําเนี่ยมันจะขึ้นไปที่สูงสูงถ้าใส่พลังงานเข้าไปมากพอมันหลุดออกไปเลยออืแต่ทีนี้ถ้าถ้ามันหลดลงมาเหมือนกับตะกี้เหมือนขึ้นบันไดใช่ปะถ้าตกบันไดเนี่ยมันตกแป๊กลงมามันมีเสียงออกมาใช่ไห <Grey> อารมณ์ประมาณนั้น อ, อ, อิเล็กตรอนตอนลดระดับพลังงานออกมาเนี่ยมันคายพลังงานออกมาคายเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ<อ>้าออกมาอเจ้าอิเล็กตรอนเนี่ยตอนที่มันถูกดึงกลับเข้ามาเนี่ย บางทีมันกลับมาอยู่ที่เดิมของมันแล้วมันก็ปล่อยพลังงานออกมาเป็น U V หรืออัลตราไวโอเลตซึ่งความยาวคลื่นเมื่อเทียบกับอินฟรูเอแล้วอะฮะสั้นมากๆาเหมือนเป็นปฏิกิริยาที่เข้าไปทำกับตัวอิเล็กตรอนแล้วก็ทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาถูกต้องเทคนิคนี้เขาเรียกว่า High Harmonic Generation ชื่อแบบดูหรูหรานะครับก็ใครสนใจก็ไปอ่านเพิ่มเติมนะฮะตรงนี้ประมาณนี้แต่ทีนี้ เจ้าตัวรังสีที่มันออกมาเนี่ยมันไม่ได้ออกมาแค่ความยาวคลื่นค่าเดียวมันออกมาแบบเป็นฮาร์มอนิกโอหมายถึงว่ามันสอดประสานกันเหรอคะใช่คือมันออกมาเป็นจํานวนเท่าของของตัวฟอนเดเมนทัลคือตอนแรกฟอนเดเมนทัลมันจะเป็นแบบแบบนี้เป็นคลื่นแบบนี้นะแต่ว่าตัวต่อมามันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นจํานวนเท่าของความยาวคลื่นซ้อนซ้อนซ้ออนกันมานะฮะซึ่งตรงนี้มันมีหลากหลายมากเลยค่ะและ เราพบว่าไอ้ตัวเนี้ถ้ามันมารวมกันด้วยความเหมาะสมบางอย่างคลื่นอันหลากหลายเหล่านี้เนี่ยนะฮะที่เพิ่งออกมาเมื่อสักครู่ถ้ามันรวมกันเนี่ยมันจะออกมาเป็นพาวเวแบบอตโตวินาทีได้อ๋อคือต้องรวมกันหลายๆอันก่อนรวมกันหลายๆอันแล้วมันก็จะกลายเป็นพาวเวอันหนึ่งที่มีช่วงความกว้างอยู่ในระดับอตโตวินาทีได้ซึ่งไอ้เรื่องนี้เนี่ยการรวมกันของคลื่นแล้วเกิดคลื่นใหม่หน้าตาอะไรพวกนี้ก็เป็น ความรู้เกี่ยวกับเขาเรียกว่าฟูเรียซีรีส์นะฮะก็ใครสนใจก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้คือคลื่นที่มีลักษณะเป็นไซด์เวฟเป็นคลื่น<ะ>ฟังก์ชันตรีโกณอะไรพวกนี้พอมารวมๆกันมันอาจจะมีความเหมาะสมจุดหนึ่งอ่ะมันจะออกมาเป็นเป็นคลื่นที่ที่ เ, เราแคโตวินาทีได้นะครับเขาศึกษามันไปทําไมคะเขาวัดมันไปทําไมคะตอนแรกมันเป็นเรื่องของความท้าทายคือเขาอยากได้พลสที่แบบตอนแรกเขาทําออกมามันก็ได้ จุดนึงนะก่อนจะได้ตัวนี้มันได้ระดับเฟมโตวินาทีออกมาก่อนแต่เนี้ยล่าสุดเขาสามารถทําระดับอาร์ตวินาทีได้นะครับถามว่าเอาไปทําอะไรใช่ไหมอันนี้ผมพูดได้เลยว่าการประยุกต์ใช้มันเยอะมากๆนะผมมาอ่านมาเยอะว่ามันมีการประยุกต์ใช้เยอะมากแต่รู้เรื่องแค่อันเดียวดังนั้นอย่าถามเรื่องอื่นโอเคได้เตรียมใจไว้ก่อนใช่ใช่มันประยุกต์ใช้เยอะจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกคาร์วันโนเปลเนี่ยถ้าไม่เกิด การประยุกต์ใช้เยอะมากๆเลยเนี้ยมันก็อาจจะถือว่าเกิดอิมแพคไม่ไม่มากพอใช่ไหมแต่แปลว่ามันเป็นการประยุกต์ใช้ในแวดวงฟิสิกส์โดยแบบลึกๆไปเลยเหรอคะหรือว่าใช่แล้วก็ในทางการคว า, ความเข้าใจปฏิบัติยารเคมีได้ด้วยหรือว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพวกหน่วยย่อยๆของสิ่งมีชีวิตอะไรทํานองเนี้ยนะมันเกิดเร็วมากาก็จะดูได้แต่มันมีการประยุกต์ใช้ที่แบบอย่างที่บอกที่ผมไม่ได้พูดมันก็จะมันก็จะมีแต่ผมอ่าไม่รู้เรื่องมันซับซ้อนเอาอันที่เราเข้าใจดีกว่าค่ะ ไอ้ตัวที่พอเข้าใจได้เขาเรียกว่าปั๊มโพรบเทคนิคอปั๊มโพรบเทคนิคเนี่ยเป็นเทคนิคที่เนฟังชื่อแล้วก็แบบอะไรยากแล้วอ่ะแต่ผมก็ประมาณนี้แล้วกันก็คือสมมุติว่าเรามีอะตอมอยู่ตัวหนึ่งอยู่อะตอมหนึ่งและเราสามารถที่จะส่องพลังงานใส่เข้ามาเขาเรียกปั๊มปั๊มให้มันเอ็กไซต์เหมือนเหมือนกับระตุ้นมันอย่างเงี้ยกระตุ้นมันนะฮะเหมือนกับน้องๆที่แบบนั่งอยู่ในอยู่ในห้องเรียนอ่ะออืแล้วเราก็ ใส่อะไรสักอย่างหนึ่งปั๊มเข้าไปกระตุ้นให้มันอองเขาแบบแอคทีฟอ่ะมันก็จะแอคทีฟใช่ปะ อ, อาจจะออกมาเต้นแล้วก็อทีนี้พอน้องเขาเริ่มเต้นเนี่ยปรากฏว่าปรากฏการ์การเต้นนี่มันเร็วมาไม่มเดิมทีเพอเอ็กไซท์ขึ้นมาแล้วอะล้วกลับมาสงบเหมือนเดิม อ, มอะเขาไม่มองไม่เห็นตรงกลางเลยอเขาก็เลยใช้การปั๊มเนี่ยให้มันให้อะตอมถูกกระตุ้นขึ้นมาแล้วพอถูกกระตุ้นได้สักสิบอตโตว์วินาทีอันนี้สมมตินะฮะ เขาก็ส่งการโผล่เข้าไปเป็นคลื่อนอตตวินาทีนี่แหละเข้าไปแล้วก็อ่านผลออกมาว่าตอนที่มันถูกกระตุ้นเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงอณ hmm. เวลาผ่านไปแค่สิบหน่วยอตตวินาทีค่ะเสร็จปุ๊บก็เอาตอมเดิมมาเลยแล้วก็ปั๊มใหม่อื hmm. ปั๊มใหม่มันก็ต้องเกิดผลแบบเดิมใช่ป่ะ hmm. แต่คราวเนี้ยแทนที่เราจะโผรบมันที่สิบแล้วก็ลองให้มันผ่านไปสักยี่สิบแล้วก็ส่งคลื่อนอตโตวินาทีเข้าไปโผร่ไปดูอื hmm. ว่าผ่านไปยี่สิบอตตวินาทีอะ เขาธรรมชาติเป็นยังไงแล้วก็ทำแบบนี้ปั๊มขึ้นมาใหม่แล้วก็ผ่านไป30อะตวินาทีก็ส่งขึ้นไปโปร่ใหม่แล้วก็ดูใหม่ทำแบบนี้จนปรากฏการมันเกิดครบจนกลับมาสงบเหมือนเดิมแบบนี้แล้วก็จะได้ซีรีส์ของการเปลี่ยนแปลงของอะตอมที่แบบเห็นความเปลี่ยนแปลงตรงกลางว่าเกิดอะไรขึ้นเอามาเรียงกันพอเก็ตไอเดียไปแต่ว่าทุกทีที่ผ่านมาก่อนจะมีไอตัวอะตวินาทีเนี่ย มันไม่สามารถจะสังเกตตรงกลางนั้นได้เลยไม่ได้ต้นกับท้ายเนี่ยมันเร็วจนปุ๊บเนี่ยใช่ไหมใช่มันปุ๊บมันแบบเออเกิดแล้วมันไม่ทันเห็นตรงกลางเท่าไหร่หรือเรารู้ว่ามันมีตรงกลางแต่เราไม่ไม่ไม่เห็นนะฮะใช่ซึ่งเทคนิคในการแคปเจอร์นั้นมันก็เหมือนกับคล้ายๆกับการถ่ายรูปเมื่อกี้ที่เราคุยกันเปรียบได้กับการถ่ายภาพความเร็วสูงแต่แทนที่เราจะไปปรับแมคาีนิกกล้องแล้วก็มาปรับที่ตัวแสงแทนปรับที่ธรรมชาติของแสงให้มันวาบขึ้น ในชั่วเซี่ยวพลิบตาอการปร<ฮ>ะยุกต์ใช้อื่นๆที่ผมอ่านได้ไปบางส่วนก็อาจจะดูว่าอิเล็กตรอนเนี่ยพอมันโดนกระตุ้นแล้วเนี่ยนะฮะบางทีมันไม่มันไม่เอ็กไซน์ใน ท, ทันทีมันมีเวลาหน่วงบ้างอะไรบ้างแบบเนี้ไอ้แบบเนี้เดิมทีเราก็วัดไม่ได้ว่าหน่วงมันหน่วงแค่ไหนอย่างไรนาะอันนี้ก็เห็นเชิงทฤษฎีได้ว่าอ๋อมันหน่วงเท่าโน้นเท่านั้นอและการประยุกต์ใช้เนี่ยก็ส่วนนึงก็นํามาซึ่งการทําความเข้าใจธรรมชาติรากฐานค่ะ และส่วนหนึ่งก็อาจจะนำมาซึ่งการทำความเข้าใจกลไกลของปฏิเรียกเคมีมากมายซึ่งมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการออกแบบยาการออกแบบพวกเอนไซม์อะไรให้มันให้มันมีประสิทธิภาพขึ้นอะไรแบบนี้ครับใช่และการเปิดประตูเข้าสู่โลกชั่วหนึ่งในล้านล้า น, านวินาทีเนี่ยมันเลยนำมาซึ่งการได้รับรางวัลโนเบลของอนะักฟิสิกส์าท่านนี้สุดยอดมากเลยค่ะ คือตอนแรกอะตอนที่ก่อนจะฟังคุยกันก็จะจินตนาการไม่ออกว่ามันมาเกี่ยวกับเรายังไงหรือว่ามันยังไง<อ>แต่ว่าอย่างเงี้ยพอนึกถึงก็จะรู้สึกว่าในสมัยก่อนที่เราไม่เห็นอะไรที่ในระยะเวลาในในระยะเวลาที่แบบสั้นมากๆหรือการซูมอินเข้าไปในอะไรที่แบบเห็นดีเทลเมื่อก่อนเราไม่สามารถเห็นได้แต่ว่าในนวัตรกรรมพวกนี้หรือว่าเฮ้ยความความรู้ทางฟิสิกส์พวกนี้มันทําให้เราอาจจะเอาไปอดัดแอปใช้อะไรในอนาคตได้อีกเนาะใช่ แล้วไอ้เครื่องที่เขาเอาแบบแคปเจอร์ถ่ายภาพเนี่ยค่ะพี่โอ่ง ม, มันหน้าตาเป็นยังไงคะมันเหมือนกล้องถ่ายรูปของเราไหมโอ้ยคืออุปกรณ์ออปติกด้านนี้เขาเรียกว่าด้านออปติกนะทศนศาสตร์ผมซึ่งเป็น lab ที่เอาจริงๆคือผมผมไม่ค่อยชอบนักอืนะครับเพราะมันยากเดี๋ยวนี้มันจะเป็นโต๊ะใหญ่ๆเลยแล้วก็จะมีอุปกรณ์ส่วนหนึ่งไว้ปล่อยเลเซอร์อเข้าไปตรงโน้นตรงนั้นตรงเนี้ยแล้วเนี้ยโต๊ะใหญ่มากอแล้วก็ผ่านอะไรอีกไม่รู้อะคือ ใช่ให้ผมมาชี้ว่าอันไหนทําอะไรอ่ะไม่ได้อมอ ม, มันมันซับซ้อนขึ้นมากมนะครับออปติกเดี๋ยวนี้มันจะละเอียดซับซ้อนเอาเป็นว่าเห็นเครื่องอ่ะก็จะเห็นว่าเอ้ยน้าทึ้งเว้ยมันใหญ่เป็นเต็มโต๊ะเลยน ะ, ะแล้วก็มีหลายองค์ประกอบไปจากโต๊ะนี้ไปโต๊ะนั้นอะไรแบบเนี้ใช่แต่ว่าตรงไหนไว้ทําอะไรอ่ะก็พูดยากครับก็เไปเรียนฮะต้องไปเรียนอันนี้ <laughs> จริงจริงนะค่ะ งั้นสุดท้ายฟังว่าเรารีวิวกันหน่อยดีกว่าค่ะพี่ป๋องแปงรีวิวรางวัลโนเบลฟิสิกปีนี้ในมุมของพี่ป๋องแปงคิดว่ายัางไงบ้างโดยส่วนตัวเนาะอันนี้ส่วนตัวละผมชอบนะแล้วก็รู้สึกทึ่งคือส่วนตัวเนี่ยผมก็เป็นคนที่เรียนฟิสิกมาในเชิงทฤษฎีเพอเราทดลองไม่เก่งค่ะครับใครทดลองแล้วได้รางวัลโนเบลเนี่ยผมก็ทึ่งทั้งนั้นแหละแต่ในกรณีนี้เนี่ยมันน่าทึ่งเข้าไปอีกเพราะว่าการจะมองหาอะไรที่มันตอบโจทย์แบบเนี้ยมันก็ยากอยู่แล้วอะเออ หาจนเจอแล้วไปอธิบายมันแล้วเอามาใช้ได้อีกอ่ะมันคือเก่งมากๆเป็นสุดสุดยอดไพลอนียร์แล้วกันนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับบางปีเราก็อาจจะเออไม่ได้ว้าวขนาดนั้นไม่ได้ว้าวไม่ใช่ว่าไม่ดีนะไม่รู้เรื่องเลยมันจะมีบางปีอ่ะอธิบายถึงทรโพลจีสถานะเชิงทรโพลจีอย่างเงี้ยออะไรวะคืออะไรวะไม่เข้าใจไม่เคยเรียนแต่อย่างอันเนี้ย ก็ไม่เคยเรียนเหมือนกันแต่พอฟังการประยุกต์ใช้ล้วก็ทึ้งพอไปดูวิธีแบบโหไฮฮาร์โมนิกเจนเนอเรเตอร์อย่างเงี้ยก็แบบเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเว้ยก็โอ้โหก็รู้สึกทึ่งฮะรู้สึกทึงค่ะพอคุยกันตอนนี้รู้สึกว่าเออคำว่าอะไรก็เป็นไปได้ถ้าเรามีความรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแล้ววันนี้เราเห็นว่าอะไรมัน เป็นไปได้บ้างในช่วงเวลาแบบ1นล้านล้านล้านวินาทีอะไรก็เป็นไปได้ถ้าไม่ถ้าไม่ผิดกฎฟิสิกส์อ๋อโอเคถ้ามีความรู้ที่ไม่ผิดกฎฟิสิกส์อย่างนี้หรอโอเคมีมีมีช่วยแก้ไขค่ะนั่นแหละเพราะว่าเพราะว่าเครื่องจักรนี้รันอะไรก็มันไปไม่ได้ใช่ป่ะถ้าผิดกฎฟิสิกส์ก็พอเป็นไปได้โอเคในมุมของพี่บ่องแปงนะเออก็คือต้องมีความรู้ที่ที่ไม่ผิดกฎฟิสิก คใครที่ฟังเรื่องของอัตโตวินาทีแล้วมีคำถามหรือว่ามีบางอย่างที่คุณไปอ่านมาเนาะแล้วก็มาดิสคัสกันในคอมเมนต์ก็ลองแชร์กันมาดูนะคะเดี๋ยวอยากลองฟังว่าทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็อยากติดตามใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์ในตอนใหม่ๆก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube channel ของ The Standard Podcast แล้วก็ติดตามพวกเราได้ในทุกๆ Podcast Player เลยนะคะเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ